สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องหลอกซ้ำหลอกซ้อนเราชื่ออ้อยเป็นเซลในบริษัทหนึ่งที่กรุงเทพแต่อยู่ฝ่ายต่างจังหวัดชีวิตประจำวันมักจะอยู่ในรถประจำทางตับหางร้านส่วนที่หลับนอนก็มักไม่พ้นโรงแรมหรอกตอนแรกๆก็กลัวนะ กลัวทั้งผีทั้งคนกลัวสายตาที่มองว่าเราเข้าโรงแรมบ่อยๆคงจะเป็นผู้หญิงไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้ทำงานมานานจนเลิกกลัวหมดแล้วหมดว้ที่จะกลัวอะไรง่ายๆอยีกต่อไปเมื่อตอนต้นปีเรานั่งรถทัวร์จากนกครสวรรค์ไปเชียงรายเที่ยวนั้นจะไปถึงจุดหมายราวตีห้า แต่ด้วยความรวดเร็วความสิ้นของคนขับตีสามเกือบตีสี่ก็ถึงเชียงรายแล้วพอก้าวลงจากรถช่วงนั้นยังหนาวอยู่บรรยากาศหนาวเย็นเฉียบจับใจเลยโรงแรมไม่ได้จองเพราะส่วนมากมีเหลือเฟือถ้าแห่งแรกเต็มก็ไปหาแห่งที่สองไม่ยากแต่เมื่อนั่งตุ๊กตุ๊กจากท่ารถ ไปถึงโรงแรมเจ้าประจําปรากฏว่าพนักงานสองคนนอนคลุมโปงหลับสนิทมีป้ายติดว่าห้องแอร์ห้องพัดลมเต็มหมดออยเลยตัดสินใจเดินไปหาโรงแรมอื่นที่เคยพักมานานแล้วอยู่ห่างไปราวสองร้อยเมตรเวลาราวตีสี่เศษเดินอยู่คนเดียว ไฟฟ้าตามเสาสองสว่างทำให้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เมื่อหนึ่งหิ้วกระเป๋าที่ไหลก็สะพายกระเป๋าใบเล็กเมื่ออีกข้างก็เกาะอกเพราะมันหนาวเยือกจริงจริงเมื่อถึงจุดหมายก็แทบเข่าอ่อนเมื่อเห็นพนักงานลงไปนอนคลุมโปองอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์ตามทางเดินเห็นถุงนอนหลายถุงหล้นห้องออกมาเลย ต้องปลุกพนักงานขึ้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คืออากาศหนาวนักท่องเที่ยวมากจองห้องเต็มไว้นานแล้วเราต้องขอร้องให้ช่วยติดต่อโรงแรมที่รู้จักว่าพอมีห้องว่างหรือเปล่าปรากฏว่าเขาโทรศัพท์ครู่หนึ่งก็ได้ข่าวดีโรงแรมนี้มีห้องว่างพอดีทางโรงแรมที่สอง เลยให้รอปภช่วยขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งโรงแรมแห่งที่สเมื่อถึงหน้าโรงแรมภาพความเก่าของตึกห้าชั้นสีออกขาวๆมีคราบดำบางส่วนบ่งบอกถึงอายุ ก, การใช้งานและความน่ากลัวของตึกมีสายสินโยงรอบโรงแรมตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้นหแสดงถึงความมีอายุพอสมควร บรรยากาศของโรงแรมเปิดไฟดวงเว้นดวงสร้างความวังเวงและความน่ากลัวได้เลยทีเดียวจากนั้นก็ได้ติดต่อกับพนักงานเพื่อทำการเข้าพักพนักงานพาขึ้นไปดูห้องก่อนเพื่อความพึงพอใจของผู้เข้าพักบังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบเราได้ห้องพักชั้นสห้องสามหนึ่งสา ตรงทางเดินพอดีตามตำราว่าเป็นห้องตรงกับธนูที่เล่นเข้าปะทะห้องได้ถือว่าเป็นห้องไม่ดีมากๆแต่ยามนี้ขอให้ได้พักก่อนเรื่องความเชื่อไม่ต้องคิดแล้วถ้าคิดมากไม่นอนขืนอยู่ข้างนอกก็น่ากลัวแถมอาจจะหนาวอีกคงแข็งตายแล้วคราวนี้เลยตัดสินใจเข้าอยู่ พนักงานเลยเช็คอินและให้คุณแจห้องเพื่อเข้าพักเมื่อเปิดห้องไปต้องบอกเลยว่ากลิ่นอับตีขึ้นจมูกทันทีเหมือนห้องปิดนานแล้วไม่มีคนมาพักหรือทางโรงแรมไม่ค่อยเปิดให้พักแต่เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ต่างๆพร้อมผ้าปูยังใหม่หน่านอนไม่มีฝุน่นหรืออะไรที่บ่งบอกถึงความเก่า จากนั้นเราได้เข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนเสื้อผ้าสวดมนต์และปิดไฟห่มผ้านอนทันทีไม่นานก็เคลิ้มหลับไปจิตจมดิ่งวูบลงไปอย่างไร้ตัวตนและรู้สึกอึดอัดเพราะยังมีกลิ่นอับอยู่ในห้องจากนั้นก็คล้ายกับปลายเตียงเริ่มยุบตัววูบวาบเหมือนมีคนมานั่งในพวัง หรือความรู้สึกตอนนั้นเราเห็นเหมือนผู้หญิงเป็นเงาดำๆผมสั้นปะป่ารูปร่างสมส่วนนั่งร้องไหก้กระซิกกระิกเลยมาหัวเตียงเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆตัวสูงยืนตัวแข็งตั้งหน้าตั้งตาเหมือนจะพูดต่อว่าชี้ไม้ชี้มือไปทางผู้หญิงที่ปลายเตียงในตอนนั้นเรารู้สึกอึดอัด และเหมือนอยู่ในพวังความเศร้าและความหดหู่จากนั้นภาพของผู้หญิงกำลังคลานจากปลายเตียงมาจับที่ข้อเท้าเธอไม่ทันไรภาพของผู้หญิงคนนั้นเธอก็พุ่งทั้งตัวมาอยู่ต่อหน้าต่อตาของเราในลักษณะที่นอนทับประกบหน้าเข้าหากันภาพที่เราเห็นตอนนั้นเป็นภาพของผู้หญิงสาว ที่หัวกระโหลกซีกซ้ายเปิดออกจนเห็นสมองแล้วเลือดสีแดงสดดวงตาสีขาวไร้แววตาและตาดำหน้าซีดพร้อมพูดว่ามึงเข้ามานอนห้องนี้ทำไมท่ามกลางความอึดอัดแบบหายใจไม่ออกไม่สามารถขยับตัวได้เนื่องจากเหมือนร่างผู้หญิงคนนั้นกดทับเราอยู่เราคิดว่า ตอนนั้นตัวเองต้องดิ้นรนสุดฤทธิ์สวดมนต์กลับไปกลับมาหลายเที่ยวถึงได้รู้สึกตัวเหมือนมีแรงผลักบางสิ่งบางอย่างออกร่างกายเหมือนโดนต่อต้านคมเหงื่จากอะไรบางอย่างเมื่ออ้อยตื่นเต็มที่ลืมตายังงงไม่หายนี่มันเกิดอะไรขึ้นเราเป็นอะไรไปเราฝันไปเองหรือโดนผีหลอกกันแน่ ไม่ช้าก็เคลิมหลับไปอีกด้วยความเพลียตอนนี้ภาพภายในห้องเริ่มชัดขึ้นภาพที่เห็นผู้ชายรูปร่างสูงโปร่งสวมเสื้อขาวแขนยาวกางเกงสีทึบเดินเข้ามาในห้องภาพที่เห็นคือในห้องปรากฏภาพของผู้ชายและผู้หญิงคู่หนึ่งกําลังพลอดรักกันในห้องนี้และมีผู้ชายรูปร่างสูงโปร่ง เดินเข้ามามีการทะเลาะขึ้นปากขึ้นเสียงผู้ชายสองคนมีการชกต่อยกันผู้ชายรูปร่างสูงโปร่งชักปืนออกมายิงจอหัวผู้ชายคนภาพของผู้หญิงตกใจร้องไหย้ยกมือไหว้อ้อนวอนไม่นานผู้ชายรูปร่างสูงโปร่งเหมือนกําลังเดินออกไปจากนอกห้อง ผู้หญิงผมสั้นปะาบาลุกขึ้นมานั่งปลายเตียงร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ผู้ชายรูปร่างสูงโปรง่งเดินกลับมาในห้องอีกครั้งยืนต้องหัวเตียงชักปืนยิงศีรษะจากด้านหลังจนกระโหลกของผู้หญิงเปิดออกเสียชีวิตคาที่แล้วผู้ชายรูปร่างสูงโปรง่งคนนั้นก็ขาดตัวตายตามจากนั้น มีเสียงดังขึ้นเราสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจภาพที่เห็นเป็นภาพของผู้ชายและผู้หญิงมุงดูเราอยู่ที่ศีรษะเต็มไปด้วยเลือดที่ไหลออกมาหน้าซีดใบหน้านิ่งไม่มีแม้แต่รอยยิ้มนั่งมองดูอ้อยจากหัวเตียงแล้วก็มีเสียงพูดคุยของคนทั้งสามไม่หยุดมีทั้งเสียงพูดเสียงคุยเสียงวอร์รและเสียงร้องไห้ทาให้เรากลัวมาก ตัวสั่นไม่ได้สติรีบวิ่งด้วยความหวาดกลัวหกล้มคลุกคลานลงมาที่เคาน์เตอร์โรงแรมเพื่อสอบถามและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพนักงานโรงแรมมองหน้าและพูดคุยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่อ้ำอึงไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่าจนอ้อยต้องออกวอนขอทำไงก็ได้ให้อ้อยได้รู้ความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้น พนักงานโรงแรมจึงยอมเล่าโดยเล่าว่าเมื่อราวสี่ปีก่อนที่โรงแรมนี้มีเหตุยิงกันตายในเรื่องของการหึงหวงรักสามเศร้าของพี่ชายและน้องชายที่รักผู้หญิงคนเดียวกันน้องชายกับผู้หญิงคนนั้นเจอกันปกติในฐานะของแฟนที่เคยคบหากัน เมื่อพี่ชายรู้ว่าน้องชายนัดเจอกับแฟนของตนเองทำให้ไม่พอใจเนื่องจากอีกไม่กี่วันก็จะแต่งงานกันแล้วจึงได้ตัดสินใจใช้ปืนยิงน้องชายและแฟนสาวด้วยความกโกรธและฆ่าตัวตายตามเพื่อหนีความผิดเมื่อนึกถึงความฝันและสิ่งที่เกิดขึ้นในพวังขนาดที่อ้อยพัก ตอนนี้ถึงกับกลัวมากและขนหัวลุกจนนิ่งเงียบแบบเสียสติตัวสั่นแทบจะเป็นลมหลังจากที่ฟังเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นกับเราอ้อยจึงขอร้องให้พนักงานไปนอนพักด้วยหรือไปอยู่เป็นเพื่อนจนถึงเช้าอ้อยตื่นมาได้ยินเสียงรถราเสียงนกร้อง แสงลอดผ่านผ้าม่านม า, มาเรารีบตื่นขึ้นมาเพื่อเก็บของและออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเพราะยังกลัวและจำฝังใจกับเหตุการณ์เมื่อคืนแต่สิ่งที่เห็นเมื่อลุกขึ้นมองห้องก็สะดุดตาป้ายกฎระเบียบใส่กรอบแขวนไว้กระดาษสีน้ำตาลเก่าแก่นานเต็มทีมองต่อไปตามโต๊ะและซอกมุมเห็นฝุ่นหนาเตะ ตั้งแต่หัวเตียงถึงโต๊ะเครื่องแป้งเรานอนได้ยังไงเนี่ยหัวเตียงก็ฝุ่นเคละพื้นห้องและกำแพงมีรอยเลือดจางๆติดตามฝาผนังแสดงว่าไม่ได้ทำความสะอาดมานานแล้วและเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงๆจากนั้นเรารีบอาบน้ำเก็บของลงกระเป๋าพอคันที แค่คิดว่าถ้าอยู่อีกคืนคงไม่ไหวสติแตกขนหัวลุกกันพอดีมันน่ากลัวมากเก็บของลงมาเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมพอแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นเล่นมาพร้อมกันแบบสามรุมหนึ่งห้องก็อยู่ชั้น3เลขห้องก็313หสหลังจากอ้อยเช็คเอาท์เสร็จก็ขนกระเป๋าออกจากโรงแรมเรียกทุกๆ ไปส่งที่ต่างอำเภอแต่สิ่งที่ลุงขับทุกๆถามถึงกลับทำให้อ้อยอึ้งอีกครั้งยายหนูเข้าไปทำไมในโรงแรมนั้นมันโดนไฟไหม้ปิดตายร้างมาสองปีแล้วนะไม่กลัวผีหรือไงที่นั่นเยี้ยนมากเลยนะหลังจากสิ้นสุดเสียงของคุณลุงขับทุกๆนั้นอ้อยก็นั่งนิ่งเงียบน้ําตาซึมในสมอง คิดทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมหรือความโชคดีที่ได้พบเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสรุปสิ่งที่เจอเมื่อคืนทั้งในโรงแรมก็คือผีดวงวิญญาณหมดเลยเหรอจนถึงปลายทางที่ต้องการก็กล่าวลงรถตุกๆแบบเข่าอ่อนสุดแบบล้มทั้งยืนและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ